ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องสิงโตในฝูงแกะนายจอนเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งกว้างทุกๆวันนายจอนจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าที่ชายป่าวันหนึ่งนายจอนต้อนแกะไปกินหญ้าที่ชายป่าเช่นเคยแต่วันนี้ตัวเขาขึ้นไปนอนเล่นอยู่บนต้นไม้ขณะที่กำลังนอนชมทิวทัศน์อย่างสบายใจอยู่นั้น นายจอนก็สังเกตเห็นสิงโตท้องแก่ตัวหนึ่งเดินมากินน้ำที่ลำธารใกล้ๆกับชายป่าแห่งนั้นนายจอน ร, รีบลุกขึ้นนั่งทันทีเขาเฝ้ามองสิงโตตัวนั้นอย่างระแวดระวังด้วยกลัวว่ามันจะเข้ามากินฝูงแก่ของเขาสิงโตท้องแก่ท่าทางไม่ค่อยสบายเมื่อมันกินน้ำเสร็จก็ทำท่าจะกระโดดข้ามลำธารไปอีกฝั่งหนึ่ง แต่แล้วจูจ่ๆมันก็ล้มตัวลงดินพลาดพลาดกับพื้นและทันใดนั้นเองลูกของมันก็คลอดออกมาอย่างรวดเร็วนายจอมมองวินาทีชีวิตของสองสิงโตแม่ลูกด้วยใจระทึกเมื่อเห็นว่าแม่สิงโตนอนแน่นิ่งไปนานจึงชักเอกใจปีนลงจากต้นไม้แล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแม่สิงโตตัวนั้น โอแม่สิงโตตายแล้วรึนี่นายจรร้องอุทานเมื่อตรวจดูจนแน่ใจว่าแม่สิงโตตัวนั้นสิ้นลมหายใจไปแล้วจริงๆแม่ตายแล้วลูกจะอยู่อย่างไรนายจรหันไปดูลูกสิงโตที่เพิ่งคลอดใหม่ด้วยความสงสารแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจนำลูกสิงโตกลับไปเลี้ยงเองนายจรเลี้ยงลูกสิงโตรวมกับฝูงแกะ ให้กินนมแม่แกะเล่นกับลูกแกะและใช้ชีวิตทุกอย่างเช่นเดียวกับแกะและเป็นเรื่องน่าประหลาดโดยแท้เมื่อลูกสิงโตตัวนี้โตขึ้นมันก็ส่งเสียงเหมือนแกะและมีพฤติกรรมทุกอย่างเช่นเดียวกับแกะตัวอื่นๆไม่มีผิดเพี้ยนอยู่มาวันหนึ่งนายจอนนำฝูงแกะของเขาพร้อมด้วยลูกสิงโตออกไปกินหญ้าที่ชายป่าเช่นเคย แต่วันนี้นายจอมมีเรื่องให้ต้องรีบกลับบ้านอย่างกระทันหันดังนั้นเขาจึงจำต้องทิ้งฝูงแกะไว้ที่ชายป่าสักพักโดยไม่รู้เลยว่าสัตว์ร้ายตัวหนึ่งกำลังจ้องจะจัดการกับลูกแกะของเขาอย่างหื่นกระหายทันทีที่คอยหลังนายจอมสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งก็กระโจนออกมาหาฝูงแกะโดยไม่รอช้ามันไล่กวดแกะที่ตัวอ้วนที่สุดเพื่อจับมากินเป็นอาหาร แต่แล้วสิงโตหนุ่มก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นลูกสิงโตวิ่งหนีตนไปพร้อมๆกับแกะฝูงนั้นด้วยเฮ้ยไอ้หนูแกวิ่งหนีข้าทำไมสิงโตหนุ่มร้องถามลูกสิงโตแต่ลูกสิงโตยังคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตสิงโตหนุ่มจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการไล่ล่าฝูงแกะมาไล่ตะครุบลูกสิงโตแทนไม่นานนัก สิงโตหนุ่มก็จับลูกสิงโตได้มันถามย้ำด้วยเสียงอันดังว่าแกวิ่งหนีข้าทำไมฮหลูกสิงโตกลัวจนตัวสัน่นส่งเสียงครางออกมาเหมือนลูกแกะที่กำลังตกใจทำให้สิงโตหนุ่มไม่พอใจอย่างมากตวาดลูกสิงโตออกไปว่าแกเป็นสิงโตทำตัวเป็นไอ้ที่ขาดอย่างนี้ได้ยางไงทำอย่างนี้เสียชาติสิงโต เสียศักดิ์ศรีเจ้าป่าอย่างพวกเราแกรู้หรือเปล่าลูกสิงโตหลับตาปีแล้วตอบว่าข้าไม่ใช่สิงโตข้าเป็นลูกแกแบแบแบสิงโตหนุ่มโกรธมากมันกัดหางลูกสิงโตแล้วลากไปที่ลาธารใหญ่มองลงไปในน้ำสิแล้วดูจะให้เต็มตาว่าแกเหมือนลูกแกตรงไหน ลูกสิงโตมองไปที่ลำธารตามคำสั่งของสิงโตหนุ่มอย่างหวาดกลัวสิงโตหนุ่มพูดต่อไปว่าดูหน้าแกสิดูตาของแกดูจมูกดูเขี้ยวดูหนวดดูเส้นขนสีทองนั่นมีตรงไหนบ้างที่เหมือนกับแกพวกนั้นลูกสิงโตตกใจกับภาพตรงหน้ามากก่อนจะค่อยๆชำเลืองมองไปทางสิงโตหนุ่มใช่แล้วตัวมันไม่มีตรงไหนที่เหมือนพวกแกเลย กลับจะไปคล้ายๆกับสิงโตหนุ่มเสียมากกว่าแบ๊แบแบลูกสิงโตเผ้อร้องออกมาเพราะความตกใจระคนสับสนทําให้สิงโตหนุ่มกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอีกครั้งมันตบหน้าลูกสิงโตฉนาดใหญ่แล้วคํารามใส่อย่างดุเดนว่าแกเป็นสิงโตไม่ใช่แกะแกเป็นถึงเจ้าป่าเหนือสัตว์ทั้งหลายแกจะทําให้เสียศักดิ์ศรีของพวกเราไม่ได้ต่อไปนี้ ห้ามแกทำเสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนพวกขี้คลาดและอย่าร้องแบบแกอีกไม่อย่างนั้นแกจะถูกลงโทษหยิงหนักพูดจบสิงโตหนุ่มก็สอนให้ลูกสิงโตเรียนเสียงคำรามของตนอยู่พักใหญ่จนลูกสิงโตทำได้ลูกสิงโตจึงเริ่มคุ้นชินกับความเป็นสิงโตในตนเองจากนั้นสิงโตหนุ่มก็พาลูกสิงโตเข้าฝูงสิงโตเพื่อให้มันได้กลายเป็นสิงโตอย่างแท้จริง เธอทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้สำนึกในพุท ธ, ธะที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราพุท ธ, ธะที่แปลว่าผู้ตรัสรู้แล้วผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วเธอรู้ไหมว่าทุกวันนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างลูกแก่เขาคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่สามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้นจึงใช้ชีวิตอย่างฉาบฉวย คิดว่าความสุขสบายความหรูหราฟุ้งเฟอ้อและความร่ำรวยคือทางที่ทุกคนต้องสแสวงหาเธอลองคิดดูสิว่าถ้าทั้งหมดที่กล่าวมาคือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องสแสวงหาจริงๆเหตุใดเป้าหมายนี้จึงยิ่งทำให้เราเกิดทุกข์และชักนำจิตใจของเราให้ต่าลงไปทุกทีทุกทีเป็นบุญของเราที่เกิดมาเจอพระพุทธศาสนา และเป็นพระแม่ตาของพระพุทธองค์ที่เบิกตาให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่ลูกแกะแต่สามารถทำตนเองให้กลายเป็นสิงโตได้ด้วยการเข้าถึงพุทธแน่นอนว่าการทำตนให้เข้าถึงพุทธเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่ในพุทธการก็มีคนสามารถทำได้มากมายเธอก็อย่าเพิ่งดูถูกตัวเองไปเลยว่าเธอจะทาไม่ได้ขอให้ลองตั้งใจทาดูก่อน แม้จะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะได้ไม่ลึกซึ้งนักแต่เพียงแค่ได้ทําความรู้จักเธอก็จะพบกับความสุขอย่างมากมายเพราะเธอจะรู้ว่าตัวเองคือใครเกิดมาเพื่ออะไรและควรจะมุ่งหน้าไปทางไหนความเป็นลูกแกะจะทําให้เธอหวาดกลัวกับสิ่งเหล่านี้แต่ความเป็นสิงโตจะค้นหาคําตอบให้